คนดังๆก็มียก ค, คนดังออกบทใช่หมรับพระเจ้าออกกันลาสาลิปุต อ, อนุรทะอุบาลีอาโนนนี่จะคนดังๆนะดังที่สุดลิกเลวที่สุดจององคุริมานมี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 ทำแบบนั่งสงบต่างกายตรงมือไส้มือขวาทำมือไส้กำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธเอาออกจากนั้นมาทำยกมือสั่งจังหวะเราก็มีสมองเราก็สัมผัสได้สมองของเราสัมผัสกับความสงบสัมผัสกับความรูสึกตัวเป็นอย่างไรมันก็ต้องพิสูจน์ห้องพิสูจน์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 ศรัทธาการกระทาของเราศรัทธาธรรมะที่มีไว้ในลำอนุอวานี่มีญาติที่ำมาจากโน้นโนนยา่าหล่ามากราบหาลูกพาเมียตอนเขาแต่งงานเราก็ไปเมียเขามีคันตั้งคันก็พาพาเมียมากราบพาลูกอยู่ในคันมากราบหลวงพ่อด้วย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 แตวมันท่องมันเคยกันชินสมัยเป็นเนนก็ท่องกันเวลามันามาจะหลับก็บวชกันไปแล้วว่าก็วาดวปในวันหยุดนัตศึกษาไปจาก ท, ทั้งทั้งที่บางทีมันก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพอครัวอาจารย์ก็คือก่าเอมเรียกหแกาแวาก็ว่าวาดไปในันหุญญตัตศึไปจากนี่สสีกรณีกิจสี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 มันที่จริ้มก็ไมได้ไปหรอกแต่ว่ามันเดินไปมันมันไปของมันมันลู่อยู่อดไกลเลลข่าข้อหลงคลิปเข่าข้หลงแคบจะไม่มีนั่นแะแต่มันได้ลู่สุกตัวหรอกไปของมันแบบลู่ไปอัานเราฝึกอ่านเด็กน้อยก็ยังฝึกเลยอ่อาพ่อพาฝึกนะอะ บางทีสังกิจจะสำเนนเนี่ยอายุเกตขวบได้เป็นพระหันสังกิจจะสำเนนอ้าวานชายอะหนึ่งเราต้องต้องรีบแก่แจบไสเแยมแยมแจ่มใสดีใจใจดีเนี่ตื่แต่เด็กศึกแต่นมนมตืมแต่น้อยเน่ยใจบริสุทธิ์อืี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 นอ ก, กอนี้ก็พ่อแม่อยากให้กลับไปแต่งงานเขาก็ไม่ไปแหกขอ้อเขาก็ก็แหกค้อเหมือนกันปอกมันสุก ข, ขาเสื้อผูกคอปลอกผูกศอก บ, บ่วงอเปคนโซเฟ่ก็แหกคออมาจากฝรั่งเศสอ่ะคนโมรตาก็แหกคออมาจากสิงคโปร์นั่นเบวชมาเป็นยี่สิปีแล้วนะตั้งแต่เป็นสาว น, าน้อย